หลังจากนั้นไปไปมามาและเข้าครัวรวมกินข้าวปลาทำเหมือนคนใช้ค่าเดียวกันอยู่นานเริ่มขอยืมเงินแล้วจะคืนไม่เกินเจ็ดวันก็ได้เงินเธอก็เมินนีฉัน รับมาทันเย็นแน่น ฉันตูกลอกนิดๆๆ น, นิดฉันตูกลอกนิดนิด